สิบมึงอยากเกษียณเหมือนใครห้าสิบมึงอยากเหมือนใครเสียรีวงชาเือกไอยากเหมือนใครตอนห้าสิบอ่ะมีเห็นเธอยี่สิบเลยเลยถามอย่างนี้เข้าใจยังมีดีวนนี้ยเป็นใจนิดเลยเนี้เอรเหมือนข้อเดี๋ยวกูจะถามมึงต่อละข้อมึงมีอะไรดี ผมเวลาเบนช์มาร์กต้องทำไมครับต้องดูเลยครับจุดเล็ของเขาออกมาครับมนะันจะเบนช์ดูอะไรบางคนมาอสอมสาษั์โคตจี้เลยมึงคนในเด่นกติข้อผมผมสัมัาต่อข้อมึงมีอะไรดีพูดไปไดิแม่งเก็บใบสมัครโกกูเลยเว้ยไออ่อนดีไกลๆต้องทำซัวนี่บอกให้ดีๆรูไวย ทำสวัสแต่ออกมไม่สวัสอ่ะสวัสทำโอทใช่ไหมถ <c oughs> ูกสวัสบ้าโอทีสุบิโอเวอร์วานทายเดะถูกพลังแหกตาได้เลยวานิไทแม่งพอมา ก, มากแม่งกับเมกเหมือนเงินกับมึงถูกหล อ, อกตั้งคนโง่จะเป็นเยียงคนฉลาด อย่าหันมาไม่กระางวันใหม่ๆ ม, ม, มาต่อแดดขาย้าทุกนี้ต่อโอเคนะบุคคลในอุดมคติไม่ต้องไม่ต้องเลือกใครเลยนะเอาในบริษัทนี้ก่อนเลยเอาวงในก่อนใกล้ตัวก่อนอี๋เวค่ไปวงนอกก็ค่อยวงระดับ international ในองค์กรตรงนี้ก่อนแถวมากัาพุธนี้ก่อนแล้วก็ขยายวงออกเป็ น, นระดับประเทศไทยใช่ไหมครับจทยถึงก็นขยายออกไปนอกประเทศ ไม่บอกมันจะเป็นใครไหนบอกเมื่อจะถาม่ให้ไอ้นมถามเมื่อถามไม่ได้ผมเรอยวิทยาาสรแล้วไม่ทำตามวิทยาศาสตร์ไม่ไหวผมก็ต้องัดตูระยะยะถามๆาม่แล้วบอกเจะถามเนี่ยถามแล้วไม่ทันอาจารย์เนี่ยคุณต้องคอยเปลี่ก่อนผมเรียนหนังสือนะถ้าอาจารย์คนไหนสอนเร็วใช่ผมถามเมื่ออาจารย์แม่งสอนไม่ได้พอแม่สอนไม่ได้เสร็จปั๊บมันก็ต้องออกข้อสอบเฉพาะสิ่งที่เขาสอนถูกไหครับ หรือไม่ชมั่วโมงภายใแม่กรักดิผมปก ป, ปากแล้วมันก็จะพูดทั้งหมดน่นคือข้อสอบมุณเข้าใจไมครับต้องใช้แผนเล่งหรือวิจารม์หึงเพื่อย่างผมไม่ปล่อยให้อาจารย์ผมลอยมวลเด็ดหากผมเป็นคนเรียนไม่เก่งเลยแต่แยนทธศาสตร์คูแม่งเนี้ยูเรียนจบด็อกเตอร์ได้แล้วกันเนีมจบวิจรนี่คูโคตเกียดเลยอาจาไม่ชอบโยธาเนอะโครงสร้างเนี่ยจบทางโครงสร้างไม่ยรือเ่ับคูชอบเศรษฐศาสตร์ไปแน้นไมู่ถูกบังคับเรียน ผมไม่อยากเรียนหรอกด็อกเตอร์วิศวะแม่จำใจแม่ให้เงินให้เรียนฟรีเอาป่ะเอาอีใช่ไาทางูเอ็ม b ีเวัยใช่ไมลงดูดีๆนะคนนี้ดงปติเริ่มไล่มาทีละคนไอ้ยังพร้อมยังทีละคนนะเอ็งแม่งปังหาเลยโอ้ยแม่งเรียนทันโมเดวเกิดดีเจ อาาสิเกตตายแค่น right? no? ั้นเราไม่เอาเซอร์เวอร์ใช่ปะเอาป่ะแพ้ป่อะไรนะเซอร์เวอร์ไม่หรอไอ้คนนี้เขาม่เกี่ยวม่หรอพวกไม่เกี่ยวเนีเออไอ้พวกนี้ธรรมดามานั่งฟังจริงแล้วมันมีแคนี้ใกูใจผิดวเนี่ยเล่นได้ป่ะลป่ะอยู่ในตนป่ะาโอเคไม่อนโอเคได้เอบุคคลในตรงปกติของคุณคือใคร เออโยธินมีข้อดีคือจดไลน์จดชื่อโยธินไหมมือถือเป็นอะไรหยินึงเลเฮ้ยถูต้องเอามื่อต้องามื่ปล่อยคนเก่งดูมือไม่ได้ไง่ว่าเขาไปอยู่ไหนก็แล้วแต่มือถือเขาต้องมีไว้ตามไปถึงบ้านแล้ววันเทศการสํสคัญทำการเสือไปเยี่ยมเาหน่อยเอากเช้าที่เาให้มือไป้เขาตอบได้ยัง ของหายอ่ะเ <c oughs> ข้าใจป่ะมึงต้องสร้างคอนเน็ชั่นต้องสร้างอย่างใช่ย่อมต้องเยี่ยมเข้าะไม่บอย ห, หาเขาเบอร์อีเมลเข้ามาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สิบเอ็ดตรงนี้จะจกลายเป็นมากกว่าสิบเอ็ดท่ากับโยทินันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารภาษัทแล้วด้ว ย, ว ย, ว ย, ว ย, ยงงใช่ไหมมึงจะต่อยมดตัวไปมดิยนามอไปอย่างเงี้ยเห็นป่ะโยชิน่มอันนอะไรเออเอามาเดี๋ยวกูไปอยู่กูเองก็ได้ กูรชอบเพวกเน้ยสะสมสะสมอ่ะพวกสิเด็ดคนเ้เดี๋ยวสบกัดี่ะตายโอ้โหพี่พยนตร์ลโอ้วียนกูเนี้ยนะแกอยู่เปล่าเนี้ยพี่พยนตร์เฉอ่มึงเลือกมึงเลือกขี้กูมาแล้วกูรู้แกดเลยคื พื่จะมีข้อดีคืออ๋อเป็ NTC ด้วยอ่ะเป็นคนยังไงนะคุณคุณดูเขาที่วางแผนนะไม่พอคุณไปเห็นวัตของเขาคุณเห็นฮ า, าวเขาวางแผนเนะี่ยคุยคุยเขาไหมเห็นยังอายครกว่ารู้วิชาอายผู้ใหญ่ไม่ได้หาอะไรเข้าใจยัง มึงจะคิดครบคนระดับนี้แล้วมึงต้องหาจังหวะเจาะเขา้าพิ่พยยนแดกเหล้าไว้พิมยนตจะกินเหล้าไว้เกณฑ์นี่ระยองเอาฉตดข้างล่างมันมีผับอยู่ข้างล่างห้นั่งดูนักร้ อ, องมึงก็ไปเข้าใจป่ะของจะเอาฉีด้เพื่อนกูวิศวะรู้จักกใช่ป่ะมึมงก็รู้แรงแล้วมึงก็ทำตัววางคอไปคุยกับพี่แล้วก็คุยพี่กัระยะระยะพี่ครับผมชื่อชมพี่มา มีช้อยหนึ่งนะที่เราจะทำได้คือผู้คุณทําไอ้บริสารข่าวภายในองค์กรเป็นจังหวะหนึ่งที่คุณจะใช้จังหวะ น, นั้นเข้าไปสัมภาษณ์แกได้ยังจังหวะ น, นั้นคุสัมภาษณ์ตัวมึงก่อนเลยพี่ครับเลวลามีเหตุการณ์อย่างนี้ที่แก้ปัญหายัางไงวิธีคิดของพี่เป็นยังไงได่ไม่มพอชอแม่งปล่อยปะ ล, อมามาละละลายใช่ไห้เมื่อเมื่อเสร็จปีแล้วพี่ไปโดนแก้ปัญหานั้นไงเออก่อนที่แกจะคิดติดบุหรีกก่แกวิธีคิดคือยังไงใครลงทุนลงคุณยังไง เกติาต่อองกับังรคอยังไงผูว่าเรื่องว่าไงลอกงานไป้างไงเหมยก่อนใช่ไหมายว่าว่ามตองคิดไว้วิธีคิดพรัปหนึ่งมึงจะต้องเป็นพี่พยน์งคิดนี้เสมอว่าพันตูจะนั่งแหนพี่พยน์ทาไมตูไม่เรียนดูว่าพี่พยน์ทำอะไรตั้หนุ่มๆจริงว่าต้งคิดการใหญ่เล่งเล็งดวงจันนะพระอาตนะเจอดวงดาวมือแม่เองยอดห้าพลาดิงห เทักษิแนมแม่เงงไทยทักษิณไม่ได้มองว่ามันจะเป็นนายกประเทศไทยนูย่นเว้ยทักษิณแม่มองเป็นนายกระดับไหนครับเป็นนายกของคูวิภาคภาคที่มาแล้วเป็นนายกของใครชวนไล่ไม่ทนันชวนแม่นายกกลางจะสู้ได้ไงเราคนเราโจดเลยจะเอาอีแสนมลงมันลบเลยมันไม่ใช่ไปไกลถึง ไ, ไหนแล้วคลยฮะแพ้ถล่มทลายวิธีชิดอ่ะคุณพี่วิธีชิด เราไม่ทันนะตอนนี้ไล่ไม่ทันแล้วไเพากวาดตัวดีเข้าหมดแล้วเหมือนเล่นเกมสามโฟกัเล่นยางโรแมนตสามโรแมนตสี่เล่นเกมสามโฟกยังโอ้ชิบบวันฟังเร็วเงนเงนโอ้โอ้ชิบเฮ้ยไปเล่นอะไรอาพี่เดี๋ยวที่นี่มีซีซีเมนใช่ไหมครับพี่ผมจะขอพวกพี่ให้เก่งยันรวดเร็วที่สุดเรื่อง s t นพี่ ที่ต้องซื้อเกมมาได้ละไปรอของแข่งคอยก็ไดนะ้เกมวางแผนทั้หมดเลยนะซีโรแมนก็คืออะไรครับสามโปเกมหีก็ได้แม่ง้อเป็นพี่หมายเลยตัวนี้ก็น่าเล่นอะโคทวอว์ จะเป็นโชว์คุณหรือวิดีวอเล่นเล่นกบไปสอนให้คุณขัดเป็นนักลบอดทิตตัวนี้ก็เจ๋งครับครปิโตลิซึมจบตัวนี้ไปรเรียนต่อเอ a บอได้ครับปิโตลิซึมสามเป็นเกมเสรให้คุณเป็นเ b a บเอเป็นมา r k ตติ้งเปิ ด, hit, ดุดสู่การควบคุมคอนโทรลของเล่นตะปูซิมทั่วซิมเล ย, เ ล, ยเล่นก็ไปลูกสาวผมห้าหววแม่งเล่นซิมแล้วซิมซู ถ้าขวบไม่นุ่งมน้วให้มันเล่นตอนีเด็กต่างชาไม่เล่นซิบกันหมดคุณแม่ไม่เล่นคุณแสรจไปในห้าปีสลากแม่งคลอมากตาพุทธพวกเราแม่งหมาตัวหนึ่งรับใช้พวกแม่คุณจะเห็นแขกอินเดียแม่งเดินเต็มมากตาพุทธเข้าใจกันแม่งัดเอุมึงูยแขกตอแหลกผู้งานการไม่ค่อยมีแต่แม่งผู้แขกจได้เข้าใจัไอควายกนี้แม่งเก่งเราเรียนอาจารย์เนี่ยพวกแขกแม่งต่อแหลอาจารย์เก่ง พวกเราแม่มแอบไปดูสื่อเองแล้วเข้าสอบอินเวนสันดานไทยๆก็แท้วนีถามมึงอะถามไม่เยอะถามเพตัวเป็นแขกเงอะลืมเขาเลยถามถามมันจะปล่อยจะปล่อยตะกูลสิมต้องหมดเลยนะซิมอีกตัวนึงตอนนี้ก็น่าเล่นอยู่นะเพย์บอยมันจะมีผู้หญิงให้มึงเลือกว่ามึงจะฟันคนไหนนักวายวิทยาศาสตร์ มาก่อนมีชื่อเดอซี่แฮรี่จะมีผู้หญิงกเจ็ดคนนี้ต้องาแผนจีผู้หญิงทั้งเจ็ดคนในยุสศาสตร์นะแพ้ไม่เป็นไรแพ้เริ่มใหม่ได้ไม่ใช่ยากไปโงเล่นง่อยฝึกขุนง่อยโอ้โเป็นอย่างนี้ฝึกบ่อๆนะฝึกไวๆไม่ใช่วานนี้เรียนยางไงนะวะขัดจับกูไปเจอซีซีเนตนกูก็เลยสาดงานไปหนึ่งปีอนาคตกูเฉาก็ไปทุกแม่าว่ากูเด่ลยเดย้องฝึกวิทยายุทธ กคุณิญญาอยู่ทำได้นะไม่ได้ใช่เล่นมิวเอออนไลน์มิวไม่ได้กลับไปแกลกแลกมันนี่หมายใ้ย่เงเลยเขาสัมภาษณ์งสือพิ ม, มันตอนนั้นเาจะโจมตีเกมออนไลน์กันก็ เ, เลยไสัมภาษณ์ผมงวิทยุสือพิมอาจารย์ปรพัดเห็นยังไงคุณพจเวลามาีเรื่อง้าบอลในแผ่นดินนี้นะสือพิมจะโคมาหาผมขอ กอดกาไม่รู้นะแสดงจะบอกว่าก อ, อดจริงๆแม่งไปที่อื่นไปแล้วร <c oughs> ม่ได้โมาหาผมนะได้ไหมการเมืมม่อไรเล่นเกมออนไลน์กระเื่อมันดีไห้ห น, ะ น, น, น, น, นังสือพิมพ์แม่งโทมาแล้วคือผมก็นั่งหนงสืพิมพ์กันนะผมก็แั่งงสือพิมใหญ่กระดับมึงก็แม่งถามผมแล้วผมบอกว่ามึงจะบ้าเหรอเด็กต่างชาติแม่งเล่นเกมออนไลน์อีกสิบห้าปีข้างหน้ามึงจะได้นักยุทธศาสตร์ออกมาเป็นโลกเลยเด็กไทยยี่เงาเรียนตามครู ครูไทยแม่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตพวกเราแม่ก็เหมือนมันมึงเรียกนกับโงมึงก็โง่ไม่ได้ยังเสียไม่เชื่อแม่อีกมีอวันหนึ่าที่ร้านร้านเกมออนไลน์นะเด็กวิศวะบางงดลูกศิษผมนะีชื่อบางงดเรียนโทอยู่ตอนนี้มันเปิดร้านเกมออนไลน์เว้ยมันมีความเห็นว่าเรียนวิศวะไปแล้วยิ่งแงวจนไปหาจะเป็นขี้ข้าจาวบ้านแม่เปิดเกมออนไลน์แล้วมาเรียกผมมาเป็นคนเตอร ได้เลยน้องรักช่วยเ ง, ยงีเ้ยไอุ้ณคบผมแล้วอยเวอร์เลยนะคุยคุยผมได้ a อร t i m มในเ a นเะจอร์รูมในแันตอบเสมอตั้งตัวนะอานถหายไสองสัมวันอย่างะลายองกูตอบไม่ได้แต่กับไปกจะตอบให้ก็เปิดร้านเกมออนไลน์เขาจะยังแล้วสุดท้ายมันก็แตกกะโตกับเกมออนไลน์มันก็ขายน้ำแล้วด้วยความที่เราครียติมากๆเนี่ยคุณคิดดูดิเกมออนไลน์ม่งมี้องดูดบุหรี่ได้เคเจอไหมมึงสามารถดูดบุหรี่ไปด้วยเล่นเกมได้ ทีอยู่ที่บ้านเมียมึงไม่ยอมแม่งร้านนี้ผู้ใหญ่ยังเข้าเลยเพราะอะไรครับเพรอะไรครับแต่ดูห้องไอ้หนุ่มหนุ่มเนี้ยเป็นมะเร็งตายห่ฮ้องเกมไปเพราอยังวิธีคิดอยู่มาไหาจานหมาอะไรสามสี่คนแม่งบุกเข้ามาที่ร้านว่ะแม่งบุกเข้ามาด่าลูกศิษผมแม่งด่าเช็ฟเลยว่าเป็นร้านที่ทำเป็นร้านที่ชั่วมากทําให้เด็กมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทําให้เด็กโก้ รู้สึกผมซาใจมากจึงต่อบอาจารย์ไปพวกนั้นว่าแล้วให้ทําอะไรครับเรียนหนังสือดิจบมาได้งเงินเท่าไหร่ครับก้โง่มันรูที่มานี้ไงอาจารย์แม่งเงียบเลยรู้สึกผมแม่งซัดเก้าได้ไห ม, ไหมเป็นอาจารย์ได้งเงินเท่าไหร่มีความสุขไหมเนี่ยชีวิตมันวันนึงเพ่งโทษชาวบ้านจิตตกไปจากคุณโซนแลจิตใช่ปะรูแม่งเงียบเลยได้ไห ม, ไหม ครูอยู่ยุคไหนแล้วครู e a r n อลนจดทำคมนะเคลนเลนโก้สเกเตอแปลว่าอะไรครับ Learn ลนเลนเคลนเลนไปด้วยการลวยมันถึงจะเล่นเล่นเกมได้ความรู้ไหมได้ป่าแล้วทุกเดือนม่ามีแข่ง มีแข่งว่ายกทีมตีกันก็ไลายัางคุณเล่นแนรกนาหลอกีนะคุณต้องคิดที่แพงนะด้วยแม่แมเล่นของไอเตมแล้วก็จีบผู้หญิงในนั้นดวยเดี๋ยวผมเล่นแรกนาหลหอมผมจะตัวผู้หญิงตัวขี่หลีแม่เยอะไม่ใ่ป่ะแล้วตัวก็กระดีกระดา เ, เป็นตุ๊ดไ ด, ด้บ า, า, างทีอย่างพวตดเข้ากลุ่มตู้ดตยก็้ยังอย่ามีตัวตนเป้าหมายหลักไปด้ไนในในอเตมมกได้ยังมันต้องไปเก็บอาวุธใช่เก็บเสื้อกลอกเก็บอะไรเยอะ แล้วเศรษฐียังเราเล่นเนี่ยแป๊บเดียวกูเก็บไอเทมได้ง่ายนิดเดียวทำไงครับเออก็ใช่กูก็จ่ายเงินเ่าจอเขาไหละแล้วลงทุน investment ไปต่อสามสีพันเดี๋ยวตีกลับมาเป็นหมื่นกูคิดว่าแม่องคิดพ่อแม่งงงเนี่ยพลูกไปเล่นเกมพวกนี้แม่เอาโซ่เอาโซ่ล่ามเคยเจอยังโอยเผยเป็นกูนลูเล่นกับแม่ใช่ยังแม่งงลูเล่นไปเล่น วนใดก็ตามคุณเกิดช่องว่างกับลูกคุณคุณมีปัญหาในครอบครัวคุณแล้วเกมใดก็ตามที่แม่ลงเล่นลูกแม่จะเลิกลูกจะรำคาญแม่ในวันนี้อะไรหน้าไม่ได้แล้วถึงนี้เลยแก็บตัวนี้มาเลยลูกแม่เบี่ยงอธิบายได้ใช้พระยุทธศาสตร์เนี่ยอย่ามีช่องว่างอย่ามีช่องว่าง มีชมากลูกแม่เล่นสกเก็ตลอ้อไปเจอยังที่หลัพังเท้านี่สกเก็ตลอ้อแม่กูด้ยนั่นแหละลูกเดี๋ยวหมเดี๋ยวชนถ้าแม่สมัยใหม่คือกูก็มีเหมือนกันกูก็มีเล่นแม่อย่างส น, นุกก็ตายถ้าอย่าหนันล า, าจ ะ, าาจะขอวิธีเลี้ยงลูกให้เพราะว่าไอดวงตาตูนเอเผมบอกในการทีวีมาแล้วนเว้ย วิธีเลี th life life right. high high yeah, okay, mm ้ยงลูกแบบพุทธวิธีพุทธวิธีในการเลี้ยงลูกนะก็สำคัญอาจารย์ออกทีวีรการสีสันมันสบายโอตอนนี้อีกแ้นาทีจะออกแล้วยืนจันทร์ะแต่ใช้ใช้ใช้เงัน่วนละแต่วันนี้แต่โดนโดนวัเนทายวันนี้วันนี้คือวัเนทายคงแทงอันจันท์หน้าเลยจันร์หน้าก็ได้ช่วยครับวิธีเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกสุดยอดเลย จริงๆแล้วใครกินลูกเก่งวะเราผมก็มีอาถรรพ์นี่ใครมีอ า, าเก่งกว่าเพถึงขั้นให้ผมเลียงแล้วเข้าใจยัง <c oughs> แน่ๆมั้ <c oughs> ปล่อยกูเลี้ยงแล้ว <c oughs> ตอนตอนยังไม่เติน5ขัาา้วปะเขาเลี้ยงเติน5แล้วเอาม่เนี่อาจารย์เลี้ยงเองแล้วปุ้ยมีนม ผมเจกกนนกกอว่าลูกกินนมนั่นแหละนมมันลูกพี่ลูกไม่งบอเค็มๆค็ม่แดกนมกูเค็มไปหนาว่าลูกเอ ง, งเทุกวันกินนมแล้วก็จะให้นมมาเลี้ยงพี่บ้านนั่นคือความรู้ต่างๆถ้าคุณเลือกแล้วคำนวณดูแล้วว่าไม่ใช่จุดคุ้มทุนที่จะลงไปเก็บความรู้อันนี้ซื้อแม่งเร็วกว่า เวอย่างเช่นถ้าผมจะปั้นพวกคุณส1เ็คนให้มาเป็นนักเรียนรู้ด้วยนะภายในเวลาสองปีถ้าไม่ลุ่งเนะกูกดพวกมึงกูซื้อคนใหม่มาเร็วกว่ามึงเยอะเลยผู้แทนเขาจะว่าเขาจะม่ดีชิดว่าหาเงินได้ด้วยทุจริตไม่คือธุรกิจด้วยแต่เวลาอย่ามีเมียน้อยคุณเมียมีน้อยเนี่ยมีปัญหาเยอะมาที่เชื่อกูสุดยอดจะมีเมียน้อยไม่ต้องมีเช่าเป็นครั้งๆงไป ปัญหามันน้อยกว่าเยอะคุณว่าเมียน้อยไม่ติดเอทหรอติดง่ายกว่าอนวดอีกอนวดไม่ระวังตัวชิบแต่งนะใช่แต่เมียน้อยทำไมครับวันที่มึงไม่นอนกับมันมันก็นอนกับเด็กข้างบ้านก็อย่างงีับไอออนขอดงอะไรพวกนี้ไม่มีเมียน้อยนะโลกูน่าเมียน้อยไม่แต่คนน่าเหมือนมึงทั้งนั้นเลยไอเหตุเลยทำไมมึงไม่เล่นให้เลมากล่ะตลาดไปเียเมียดำก็เลยอีขาวเมียขาวก็เลยอีดไอออน ก็ทุดท้ายอีกผู้นี้นะตอนอายุยี่สิบแม่เก็บความรับให้มึงแล้วตอนสามสิบแม่เก็บความรับไหมสี่สิบแม่บุกมาบ้านใหญ่ไม่มีความรับในโลกนี้ทันทีที่คุณมีเมียน้อยเดก็บสักพักหนึ่งเพื่อนผู้หวังดีแต่กระสงร้ายแม่มาบอกเมียหลวงมึงทีแท้ชีวิตมึงแม่เละเละแล่แน่เข้าใจไหมแต่ดีที่สุดเลยก็คืออย่ามีเมียเลย ตั้ง อ, อกตั้งใจเอาเข้านี่ผ่านไม่ได้เข้าใจยังการไม่มีหัวเลนเี่ยเป็นลา่ากมระเสริรที่จับอไปมุ่งแม่งปฏิบัติธรรมแล้วมุ่งเข้าไปเสียเวลาแล้วพวกที่เข้านางสาวจุนทึกมึงก็อย่ายุ่งกับเขาเข้าบุญเยอะแล้วเข้ามาถูกทางแล้วจะห า, า, า, าหัวเขาอีกหาม่ได้แลเขาจะนิพพานหรือแล้วเข้าใจัหมอ่ะกลับไปนะีนคือความรู้ต่างๆมีเยอะมากตามหลักของโรเลเเป็นมีเยอะมาก ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องอินเวสท์เองคุณอยากได้กล้วยไม้สวยสวยไหมจะปลูกเองวะใช่ไหมถ้าคิดดูแล้วว่าคุณต้องการประโยชน์อัตลักประโยชน์แต่อย่า ก, การปลูกกล้วยไม้ถ้าคุณต้องการจะเรียนรู้วิธีปลูกกล้วยไม้เพื่อสักวันหนึ่งไปเปิดร้านทํากล้วยไม้แล้วได้โน้ตเฮาสกล้วยไม้ไปขายโอเคปลูก แต่ถ้าเกิดต้องการเพิ่มเสียเงินของผู้มือมึงเดินไปหน้าร้านซื้อกาเสียใจกันมึงเร็วกว่าอีกเร็วกว่าเยอะเข้าใจยังมันโลฮาวโลเลสหลายตัวเนี่ยการซั้บันดิตข้อดีคืออะไรครับเี่อกี้เขาบอกไปแล้วคืออะไรได้ทันทีใช่ไหมไม่ต้องอินเวสต์คบบันดิตก็เหมือนกันนะมันได้ตรงนี้รวมถึงเมียได้ไหมถ้าเมียเราฉลาดเนี่ย ถ้าเมียไม่ฉลาดเพื่อนคุณต้องเจ๋งเมียถ้าถ้ามีไปแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนนะไม่จำเป็นแล้วนะตอนนั้นยั ง, งโง่อยู่ได้อีนี้มาอะไรเงียทนใช้ไปใช่มมึงก็ไปสาคนที่เจ๋งๆก็มึงซึคนฉลาดก็เป็นคนดีแล้วว่ะบ่อดีบ้างไม่ดีบ้างนะก็เรืนะอกๆดูเอาแล้วกัวนมันจะดีจะช่วยช่างหัว ม, มันมึงดีก็พอละ เลยดีจะช่วยช่างวันเราดีก็พอแต่ใกล้คนชั่วโอกาสที่เราจะชั่วเป็นสูกลูกศิษย์อาจารย์อยู่ที่เซรามิกตุรานะทั้งสิบห้าคนเนี่ยก็เราไปสัมภาษณ์ผมผมทําเช็คเลสใช้มันพอก็ถามเสร็จใชถามว่าหนูพี่ผู้หญงในไรฟ์บางคนเนี้ยหนูหนูมีอะไรจะถามไหมคะอันนี่ไปเลยถามกลับแม่ก็เปิดโควไปถามขอรูวิสัยทัศน์องค์กร แล้วตั้ตาถามคุณภาพคืออะไรเข้าแก่เาแก่โอ้ัใจเลยเนะข้าแก่แม่มาสัมภาษณ์เอแมเสือตอบคุณภาพคือการวัดกระเดื่องถูกต้องในแม่นยา <c oughs> อีนูนีกว่าขอใบสมัครคืนค่ะไปเริ <c oughs> ่มต้นแม่ผู้ไปหารสูงสุดแม่มควายแล้ววิธีคิดอย่างควายลูกล้องเราลงมาควายยิ่งกว่าอนะไรยังงไอ้ลายนี่เล่นะเด็กรู้สิกผมจะคุยผมไม่เลนะือนอูไอ้ลายไม่ไปสัมภาษณ์บริษัทใหญ่ ถามว่าตาหนูถามนะไอ้หนุนี่ก็เลยเลยสวนกลับได้พี่ตาผมถามแล้วนะหนึง่งโ ม, มโเข้าบริษัทบอร์ดคืออะไรตรงอธิบายอะไรนะอะไรค่อมขนะคื อ, ค อ, นะอยังไม่รู้เลยไม่ยังไม่รู้เลยนัคือแหละอีกไลน์หนึ่งก็ถามคําถามผู้เล่นเกมมัก่อนนะคําถามก็คือขอทราบเทเรียพารครับเจ้านายผมเนี่ยที่จะมาเป็นผม เ, เข้ามาทํางานกับคุณแล้วเนี่ย ใครเป็นเจ้านายผมแล้วคนคนนี้ต่อไปจะไปไหนแล้วผมจะไปยังไงขอดูคอ competency ค path อเส้นทาง ก, การเดินทางของ competency เข่าแก่ไหม for ครับ c o m p e t e c พอมี competency เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลอกคุยกับแม่งหรือแม่งจะอยู่กับแม่งสามวันเจอเจ้านายปับมึงคุยกับเป็นเจ้านายเลยนายครับขอคุยด้วย แล้วก็ถามมาอย่างที่ผมสอนคุณทั้งหมดเนี่ยนายก็บันฑิตที่นายทีอยู่เป็นใครถ้าแม่งที่ทัดที่ทัดนะมึงก็มาตบอิโมชันอัลคิวมึงเตรียมไว้เลยเช็คกิสกูเช็คไว้ EQ มือ IQ มือกูประเมินนายก่อน EQ IQ เพืนัมึงคอนโทรลมึงไม่ได้เลยมึงคือเด็กกังกูเนี่ยมึงควมมึงไม่ได้มึงที่ทัดใส่กูมึงอยู่กูได้ไงมึงอยู่กูได้ไงเขาจะกูเจะขยันยี่คินเลยอยู่โลอยู่ไปมึงก็ไม่รู้ เขาแม่ไม่ให้มึงรุ้มันละการควายตัวนึงมาทำตามหน้าที่ job description แค่นั้นเองไม่ต้องควายตัวนึงทำ job description มึงเยาะงั้นเหรอใช่ป่ะผมคิดที่หายเลยในหนังสือพิมพผู้จัดการสัมภาษณ์ผมเมืวันศุกร์เนี่ยเอ้นเนี่ยที่ถามาี่เนี่ยได้ถามผมเรื่องนี้โอ้หรือ <laughs> ว่าเขาจะผมแย้งยากนะเรื่องจะมีเจ้านายอ่ะพูดจา้า ผมจบจากเมืองนอกมาใหม่ๆนะกลับจากนาซมาแนละ้วเงินเดือนแง แ, มแยม่อยู่เมืองไทยเป็นอาจารยรา์จุฬาไอพิจารณ์ก็ถามว่าอาจารยราา์วัวพัฒนาทำไมาเลือกเป็นอาจารยรา์จุฬาเงินเดือนเจ็ดพันอาจารย์นะดอกเตอาาร์้วมึงเจ็พันมเว้ยพวกมงแย่งกี่เท่ากูไม่รู้เลยกูเจ็ดพันโทษจนเลยเขาถามอาจารย์ทาไมาเลือกเป็นอาจารยรา์จุฬาผมก็เลยบอกว่า at the top I can see everything ผมบอกว่าถ้าผมเป็นพนัก ง, งานนะ ผมก็ต้องไปขูกเขาแห่งหนึ่งโ ง, โง่ๆอุ้ยขูกเขาไรรักตามหาไร้ย่าไส้ขาดก็ไม่รู้ว่าไหรเสียวเล่ น, นึุงแม่งลงมาหากูแต่กูยอมเป็นอาจารย์เนี่ยกูมองเห็นโลกกว้างกว่าผมผ ม, ผมตั้งวางแผงนมะาปีแรกขอเป็นคอนซัลเ์เป็นอาจารย์จุลาเพื่อที่จะได้ใครไหมครับไปเสือก ด, ดูทุกวงเงนินกูต้องการดูคนเก่งว่าใครแม่งสมควรเป็นนายกูเข้าใจไหม กูนั่งดูโรงงานไหนถุงควเป็นนายกูหกปีแรกเว้ยกูยอมเป็นอาจารย์เพอฟ้าด้วยอาจารย์ุลาเพาไรเพราม่มีเวลาแวบนยมึงไปอยู่อาจารย์ที่อื่นแม่งใช้งานก็ควายติ้งกันใสถุยสอนตัวเองก็ไม่พัฒนาอาจารย์ุลาแม่งพัฒนาตัวเองได้การบอก่าเป็นคนซิลทำให้อาจารย์ุลาแม่งฉลาดขึ้นนี่ไงยังมึงจะติ้งกันใสถุยสอนเด็กทุกวันได้ไงใช่ป่ะอาจาคนแกคโง่เลยเขียนบนกระดานอีเวนมึงก็ีหลอกให้บุญเขียนที่เด็กก็จบได้ที โอ้อีหมาแต่ว่าอาจารย์แม่งขุยเก่งหัวนั่งคิดคิดเย่างี้ตลอดเลยใช่ไหมครับเพราะทำไงเราจะเห็นได้เยอะๆโซลท์ไปเรื่อยๆจะว่าจะเจอนายที่เหมาะสมกูก็เซอร์เบอหก ป, ปีพบว่าไม่มีเนี่ยนาทีนาซ่ากู2คนแม่งเจ๋งสุดละนาซ่างกูมาแบบเนี้ยก็อิกทีก็คือผมกลับทเมกา <laughs> ใช่ป่ะเรยไปมานั่งคำนวนนี่ละ สุดท้ายสุดยอดแทนเป็นในายคือเลยครับในายกูผมเจอเจ้านายที่แท้จริงแล้ก็คือหลวงปู่หลวงพ่อใสู่มั่นเขย่เปลี่ยนแผนเลยสุดท้ายเจอเวพูธเจ้ า, าไงเพราะผู้เจ้าไง น, ในายกูไงผูปิงละลองกมากนี่หลวงเวเข้าไปครับ <c oughs> และนี่คือวิธีคิดไงนี่คือวิธีคิดเฮียเรแตบบ่กูได้เดี๋ยวมึงลาออกกนหมด มาขนาดนี้แล้วอย่าไปไหนเลยไปไม่รอดแล้วอยู่เนี่ยถ้าถึงสี่สิบแล้วอย่าไปไหนเลยถ้าถึงสี่สิบล้อย่าคิดการใหญ่จบแล้วจบแล้วเอ็นแล้วมุงวางแผนมาไม่ดิงแต่ต้นสี่สิบนี่แม่เป็นเป็นช่วงเวลาที่จะรักษาฐานแล้วใช่หมห้าสิบสร้างรุสิทแล่ะหกสิบเข้าวัดช่วงยี่สิบถึงสี่สิบนี่คุณต้องกักตุนความรู้ไว้เต็มที่เลย ต้องวางแผนชีวิตแล้วคุณต้องการเป็นอะไรคุณว่ารอยคีนมป็วางแผนชีวิตเหมอนอย่างรอยคีนเนี่ยรอยคีนในยุคสามยี่สามันต้องการจบวงเป็นอะไรครับรอยคีนเต๋อรู้จักรอยคีนปะรอยข่วนรอยคีมเปนวางแผนเรียบร้อยแล้วจบต้องเป็นโค้ชคุว่าอีคันโทเน่มันก็รู้ตัวมันว่ามันจะต้องทําอะไรรู้หมดแล้ว แล้วมึงจะเป็นอวาวแผนตัวมึงยังองไตเลื่อยทงการทะเลแล้วมข่าวหัวระยองเย็นแปลกเล่าคือเที่ยวอิเตอร์ปีผไปมึงแม่งตายตายรูปเดี่วปรชากรแม่งเพิ่มทุกวันเด็กแต่ละคนแม่งจบมาเนี่ยทุกปีมีการรับปริญญาเด็กใหม่แม่งหายใจว่าพอมึงทุกวันมึงไม่หนีไปมึงเสร็จอาศความเก่า เด็กรุ่นใหม่แม่รุ่นสิบปูนรุ่นแรกนะหลอกมาไหนมึงเคยดูพวกี่แม่วิธีคิดไม่เหมือนเดิมแล้วเว้ยไม่เหมือนเดิมแล้วเว้ยที่คิดแม่แบบหม่นี่พวกคุเปนคนรุ่นเก่าเลยเนี่ยถามเดี๋ยวากคนเดียวสองคนเนี่ยกคือไปเจอเด็กรุ่นใหม่ผมกอดี่แม่ถามผมต้องฟ้องเลยต้องต้องต้องหยุดแล้วก็ค่อยวางแขกูอลับแล้วูไปถงกันเพราะว่านี่แม่ของมึงเนี่ยติ๊กไปสายทุยเลยแล้วเนี่ยองบว่าอ่อนนิ่งหนาเลยเอาไม้ไมจะยอิง ต้องปรับปรับใหม่ปรับตัวนี้ใหม่ตัวนี้ learning e test ear er. ปรับใหม่ปรับสัญญาการเรียนรู้ yeah. อะไรอย่าให้คุณตอบไปเยอะหรอกกระทวงศึกษากระทรวงศึกษาตอนนี้หน้าที่ผมคืออะไรรู้ไหมหน้าที่ผมคือตรวจกระทรวงผมอยู่ใบตัดเนี้ยใคทดีชื่อไหม ไอแลนเ a ตติ้งอิโฟเมชันเซอร์วิสตอนนี้ผมรับผิดชอบอยู่สองกระทรวงนะเรี๋ยวจะเพอีกนึงเพิ่มอีกเป็นอีกสิบสองมหาวที่อะไรมันจะตรวจกันมาไล่สิบสองเห็นจะไล่ขอบตลกพระนครเหนือบางรดราชบังไล่กันีคิดวิธีสอแจ่เกิดเวลาไม่ได้ไม่รู้จักกันหมดไม่แฝงก็ตรวจมาไล่ ตรวจอะไรครับตรวจนีย่ยุกเลยฮะตรวจวิทยาาสตรวจไปเดือดมาปูต้องวางวิทยาาสให้เลยกระสวงไหนรู้ไหมยากสุดในการตรวจในยี่กระสวงั <c oughs> วกระสวงไหว่น่ในทักษิณเด็ดถอยเลย พอได้เดนฟรอมมิงเนี่ยครูแว่งแย่งไมโคโฟนแล้วก็ดือแล้วก็เขียนมี 4,000 40, เหตุผลที่จะบอกว่าไม่ทาเป็นกระทรวงที่ช้าที่สุดใน20กระทรวงแล้วก็เป็นกระทรวงที่ส